เทศอบรมพระวันที่หมิถุนายน2521น้ี่นุ่มนวลแต่เด็ดเดี่ยวเทศเป็นห่วงพระเนนที่มาอาศัยมักแสดงความผิดพลาดอยู่เสมอแม้ไม่มีเจตนาก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องของกิเลส ท, ที่เราเตรียมชำระมันเทศเรื่องการปฏิบัติของตนทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลอย่างเต็มจากพรรษาจิต ถึงเก้าเปิดเผยโลกธาตุภายในใจอย่างหมดภูมิในคือโนแรมส4บ่ําำเดือน6พศเน้ํสาน้ำตาร่วงไม่นอนตลอดคืนวันนั้นนี้ดีมากเป็นพิเศษใครๆฟังอาจได้พระเหมาะมากนี้กันพิเศษ เราเป็นห่วงพระเนรที่มาอยู่อาศัยกับเรานี่ยิ่งกว่าเราห่วงเราสำหรับเราเองเราไม่เห็นมีห่วงอะไรห่วงอะไรทั้งนั้นแต่เกี่ยวกับพระเนนที่มาอาศัยอยู่กับเราแล้วเราห่วงเราห่วงมากคำว่าห่วงก็คือไม่ความดีที่มุ่ง ม, มารักษาและรักษาแล้วในส่วน หรือผิดพลาดประการใดทั้งนั้นความว่างห่วงก็เป็นอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องความผิดพลาดอยู่เสมอเราไม่เคยตายใจกับเพื่อนฝูงที่มาอยู่ด้วยเพราะเราเรา ร, เรารับแล้วด้วยเหตุผลที่ควรรับทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เต็มกำลังความสามารถ ส่วนจะสมบูรณ์ตามหลักธรรมหลักวินยัยนั้นเราก็ไม่กล้าอานเติมเพราะเป็นความละเอียดของหลักธรรมหลักวินยัยอาจจะไม่รู้ทั่วถึงก็ได้แต่เรื่องความรู้ความสามารถท่างเรามีเท่าไหร่เราทุ่มเทลงเพื่อมือเพื่อคณะตลอดมาตั้งแต่วันเกี่ยวข้องกับมู่เพื่อนจอในขั้นเริ่มแรกจนมาทางวัดนี้เป็นเวลาทั้งยี่สิบกว่าปี ปกติเราจะขวัญมาขวัญสนใจสอนใครแล้วนอกจากสอนเจ้าของเองแล้วไม่นึกด้วยว่าจะหมู่เพื่อนตลอดถึงประชาชนมาเกี่ยวข้องกับเราถึงขนาดที่เป็นอยู่เวลานี้เมื่อความจําเป็นมาเกี่ยวข้องจิตที่คิดหรือเป็นความรู้สึกมาดั้งเดิมของเราที่เรียกม น, นิษฐ์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องมากน้อย เมื่อเป็นเช่นนั้นภาระก็ต้องหนักผู้ใดมาเกี่ยวข้องกับเราเรารับแล้วด้วยเหตุด้วยผลเราจะต้องดําเนินตามหลักธรรมที่เป็นเหตุองค์ประกอบเรียกว่าเป็นเหตุผลล้วนๆเนื้วรวมลงเป็นธรรมอย่างเต็มสติกําลังความสามารถของเราทุกแง่ทุกมุมนี่จะมีภาระมากความเป็นห่วงที่จะต้องอบรมสั่งสอนเราก็เป็นห่วงตลอดเวลาเมื่อมีโอกาส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 ต้องมีเหตุมีผลมีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องประกันในการอยู่ร่วมกันว่าไม่มีอันใดที่เป็นการขัดแย้งกันโดยทิฏฐิมานะโดยหลักธรรมหลักวินัยสอดคล้องต้องกันอยู่เสมอเพื่อความประพฤติปฏิบัติตลอดความรู้ความเห็นแต่พ่ออย่างยิ่งเรื่องการละแคละคายละหองละแหงจนถึงกับให้เกิดความทะเลาะวิวาท ขึ้นมาเพราะพิติมานะอันเป็นการสั่งสมกิเลสหรือผิดกิเลสขึ้นมาอย่างไม่น่าอายนั้นขอจะให้เกิดขึ้นในวัดนี้เป็นอันขาดเพราะนั้นเป็นเรื่องของการคุยเชี้ยการขุดค้นกิเลสทุประเภทต่างๆขึ้นมาเพื่อขายตัวเองและ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 รายใดก็ตามที่แสดงความไม่เหมาะสมขึ้นมาโดยทางกิริยามารยาจะเป็นทางกายทางวาจาก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่ชมควรอย่างยิ่งจะเพราะเป็นเหตุที่จะให้กระทบกระทือนถึงหมู่ถึงคณะที่อยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขให้ได้รับความเดือดร้อนบุญบาปอย่างน้อยเป็นอารมณ์ของใจต่อกันไม่ดีเลยการประพฤติปฏิบัต พระพุทธศาสนาต้องมีความเข้มแข็งเปลี่ยนความรู้ความเห็นที่เคยเป็นมาซึ่งฝังใจอย่างลึกซึ่งนั้นถอนตัวออกมาโดยลําดับหมุนจิตใจเข้าไปสู่หลักธรรมหลักวินัยพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในขณะที่บวชลือนอกจากขณะนั้นแล้วหากจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเพศเรื่องอะไรไปก็าตามความรู้สึกซึ้งในธรรมะ ยึดความนอบน้อมความเคารพตรงรับภักดีต่อหลักพุทธศาสนาขอจะให้บกพร่องเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่อยู่ด้วยกนันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากที่จะต้องสงรวมระหวังทุกคนการประพฤติปฏิบัติให้มีความเข้มแข็ ง, ท, งทราบว่าเวลานี้เราบวชเป็นพระแล้วยาอาการใดๆที่เราจะแสดงออกให้เหมาะสมกับความเป็นพระเราจะต้องพิพิจารณา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 มีเป็นตมเป็นโจนขึ้นมาจะอาบจะใช้จะสอยจะดื่มอะไรไม่ดีทั้งนั้นเพราะน้ําขุนมีการทํกากันละกันให้มีความกระทบกระเทือนก็เป็นเหมือนกับว่ากวนน้ํำพีสงบคือกวนธรรมที่สง บ, ททสงบแห่งใจของแต่ละ ท, าท่านให้มีความขุ่นมัวหรือเป็นอารมณ์ขึ้นมาซึ่งเป็นการรบกวนจิตใจให้เกิดความขุ่นมัวและเดือดร้อนขึ้นมาอย่างนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งสําหรับพระเรา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 แม่เนื้อก็ยังตายจากเพราะอันตรายได้ทั้งทั้งทีระมัด ร, ระวังมีธรรมของพระพุทธเจ้าที่ช่างสอนภิกษุปเป็นต้นยิ่งมีความละเอียดละออมากยิ่งกว่าแม่เนื้อระวังภัยทั้งหลายจงเป็นผู้ระมัด ร, ระวังให้ดีหน้าที่การงานอันใดที่เป็นเรื่องของคะายาได้อ่อนแอให้มีความเข้มแข็งตามีให้ดูหูมีให้ฟัง ใจมีให้คิดหมู่เพือนทำหน้าที่การงานอันใดให้สังเกตสอดรู้เพื่อการประพฤติธปฏิบัติตามท่านเพราะเรามาอบรมปึกษาบางทียังไม่เข้าใจตลอดตัวถึงในข้อวัดปฏิบัติตเป็นส่วนภายนอกก็ให้ได้มีความสมบูรณ์เข้าไปด้วยําดับเฉพาะภายในคือการอบรมจิตตะภาวนาก็ให้พื้นปพฤติธปฏิบัติอย่าได้ละมีความเข้มแข็งการภาวนาจะภาวนาบทใดเช่นพุโทโธธรรมโมสังโฆ หรืออนาปานสติเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่กรมคืนกับนิจัยของเราให้พึงนำธรรมนั้นเข้ามาบริกรรมภาวนาเช<พ>่นกําหนดอนาปานสติกก่อกำหนดอยู่ที่ลมสัมผัสมากน้อยเฉพาะอย่างยิ่งสัมผัสที่ดั้งจมูกมากกว่าเพื่อนให้พึงกําหนดสติไว้ที่ตรงนั้นแล้วสังเกตสอดรูลล้ลมเวลาผ่านเข้าไปผ่านออกมาดูที่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 พระพุทธเจ้าสอนอย่างแท้จริงสอนโลกสอนสงสารจนกระทั่งทุกวันนี้ธรรมะก็มาจากความจริงของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงกระทานไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความเคลื่อนแพร่เปลี่ยนแปลงอย่างอื่นอย่างใดทั้งหมดมัชชิ ม, มาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นทุกบททุกบาททุกเนี่ทุกมุ ม, ม, มสมควรแก่การแก้กิเลสทุกประเภทเพราะเป็นเครื่องมือที่ทันสมยัย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 แก้ไขหรือปรปาบตามกิเดทุกประเภทให้หมดขึ้นไปจากจิตใจไม่มีทำใดเหนือนี่เลยเพียงขอให้อบรมธรรมนี้ให้มีขึ้นภายในจิตใ จ, จของตนตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกจนกระทัง่งขั้นสมบูรณ์เต็มที่คําว่ามรรคผลนิพพานที่ขั้งพุทธการท่านบรรลุท่านบรรลุท่านรู้ท่านพ้นจากทุกข์ซึ่งเป็นส่วนผลนั้นจะปรากฏขึ้นภายในตัวของเราคู่บําเพ็ญหรือดําเนินตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เหมือนขั้งพุทธการ โดยไม่ต้องสงสัยผมเป็นห่วงหมู่เพื่อนมากในการประพฤติปฏิบัติธรรมอยากให้รู้ให้เห็นเพราะการแสดงธรรมให้หมู่เพื่อนฟั ง, ต, ง, ต, ง, ต, งตั้งแต่ต้นจนปัจจุบนันนี้ไม่เคยสัง่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเลื่อนลอยเลยสั่งสอนด้วยความถึงกิจถึงใ จ, งใจด้วยเจตนาที่มีความเมตตาสงสารอยากจะให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่ตนรู้ตัวเห็นและตนแสดงออกไปนั้นเหมือนกับตนที่ ได้ปรากฏมาการแสดงธรรมแก่หมู่เพื่อนทั้งหลายนี้ผมไม่ได้แสดงด้วยความร้นแรงผมเรียนตามโคงในฐานะที่หมู่เพื่อนมาอาศัยกับผมเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันจึงไม่มีปิดบัง ล, ลี้ลับได้รู้เห็นอย่างใดอย่างใดนํามาสอนจนไม่มีอะไรเหลือแล้วภายในพุงนี้ไม่มีเหลือได้แสดงออกมาอย่างหมดเปลือกทีเดียวแก่หมู่เพื่อนแต่ไม่มีันแม้นิดนึงที่จะเป็นการโอ้อวดต่อหมู่เพื่อนซึ่ง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 เริ่มแรกตเริ่มแรกตั้งแต่จิตเข้าเป็นสมาธิคือความสงบเยือกเย็นก็เล่าให้ฟังคิดเสื่อมลงไปมากน้อยเพียงไรก็ได้เล่าให้ฟั ง, เ, ง, เ, พ ง, เ, ฟงเพื่อเป็นคติทั้งนั้นทั้งฝ่ายเจริญและฝ่ายความเสื่อมความเสื่อมก็เป็นอาจารย์ได้อยาเป็นอย่างดีผู้ที่ได้ยินได้ฟังจากความเสื่อมของเราที่แสดงให้ฟังแล้วจะได้ตั้งคติตัางระมัดระวังอย่าให้จิตต้องตเสื่อมซึ่งเป็นการลำบากมากในการที่จะพื้นฟูให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาตามเดิม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 ถูกล่าให้ขึ้นมายังถึงขนาดปีกว่ายังไม่สามารถที่จะขึ้นได้เต็มเม็ดเต็ ม, ตมหน่วยดังที่เคยเป็นมานั้นเลยยิงได้เห็นโทษแห่งความเสื่อมนี่อย่างถึงใจเหตุใดจึงว่าเห็นโทษอย่างถึงใจเพราะเราเสีย อ, อกเสียใจเพราะความเสื่อมแห่งกิตนี้เสือเสียจิตเสียมากจริงๆถ้าว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งมาทําเราให้เสีย อ, อกเสียใจขนาดนั้นอย่างเป็นฆรวาสแล้วฆ่าห้าศกในวันหนึ่งนี้โดยไม่รู้สึกตัวเลยได้ ว, ว่าได้ฆ่าคน เพราะอำนาจแห่งความโกรธแค้นนั้นมันมากเกินกว่าที่เราจะลึกบาปหรือลึกบุญไปได้ขนาดนั้นแหละทีนี้พอจิตได้เจริญขึ้นมาเพราะอุบาต่างๆที่เราทุ่มเทลงมาเพื่อเรานั้นแล้วจึงไม่ยอมให้เสื่อมจนถึงกับว่าเอาถ้าว่าจิตของเราจะเสียมจจะจะเสื่อมลงไปแม้แต่มากน้อยเพียงไรก็ตามขอให้เราตายซะก่อนจิตนี่ถึงจะเสื่อมได้ถ้าเรายังไม่ตายจิตนี่จะเสื่อมไปไม่ได้ คำที่พูดอย่างนี้เหมือนกับว่าพูดเป็นการประกันตัวการประกันตัวการรับรองตัวนั้นเพราะอะไรต้องรับรองด้วยการน้ำมัดระวังคือการน้มัดระวังนี้ต้องเป็นเครื่องยืนยันอย่างเต็มที่ไม่เพียงแต่ว่าพูดเฉยๆออาวารนมัดระวังตัวนี้ระวังมากทีเดียวตั้งแต่ได้ทราบเรื่องกิจหรือเรื่องกิจเสื่อมนั้นได้สอนตนให้รู้อย่างถึงใจแล้วการน้ำมัดระวังก็ระมัดระวังอย่างถึงใจและเวลาจิตได้ จเจริญขึ้นมาเต็มภูมิแล้วก็ขยับลงให้เต็มที่เอาตายก็าตายปรากบว่ากัดเที่ยวกัดฟันหักไปนู่นแหละเพราะความถึงใจเกียดแค้นอย่างขนาดนั้นทีเดียวเกลียดแค้นให้ตนเองนี่คืออุบายวิธีที่ดำเนินมาก็ได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟังหมดโดยไม่ต้องหาอุตริตอะไรมาพูดซึ่งตนไม่เป็นจริงอย่างนั้น นี่พูดอย่างถึงใจที่เราทําอย่างถึงใจเอาเป็นเอาตายเข้าว่ดในขณะที่บําเพ็ญอย่างนั้นไม่เคยคิดว่าตนจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่เพื่อนดังที่เป็นมานี่เ ล, เล่นี่เลยวัดถึงฆราวาสาะยมหรือพระเองเพราะนีส่สายว่าของเราเหมือนกับว่าเป็นคนนิสัยวาสนาน้อยมีความสนใจฝ่ายต่อการประพุติปฏิบัติหรือฝึกฝนทรมานตนถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เคยสนใจกับผู้หนึ่งผู้ใดในขณะที่ประพฤติธปฏิบัติตอนอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้เทศสอนคน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 ถึงในตัดสินใจกันลงได้ด้วยความประจักษ์ใจหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องความเกิดแก่เจิดตายเรื่องกิเลสกัญหาอาสวะทุกประเภทได้ขาดกระเด็นออกไปจากใจในวันนั้นได้เปิดเผยลักษณะเห็นอย่างชัดเจนเกิดความโศกสังเวชน้ำตาร่วงตลอดคืนไม่ได้หลับได้นอนเลยเพราะเหตุอะไระโศดสังเวชความเป็นมาของตนโศกสังเวชเรื่องความเกิดแก่เจิดตายเพราะอำนาจแห่งกิเลสมันวางเชื้อแห่งกองทุกข์เอาไว้ เกิดในภพใดาชาติใดมีตั้งแต่แบกกองทุกข์หามกองทุกข์อยู่ไม่มีเวลาปล่อยวางจะมาะทั่งถึงตายไปแล้วแบบอีกตายไปแล้วแบกอีกคําว่าแบกก็คือว่าเข้าสู่ภพใดาชาติใดมีจะมีสุขมากน้อยทุกข์ต้องเจือปนไปอยู่เสมอนี่เห็นโทษเกิดความโศ ด, ดสังเวชแล้วกมาเห็นคุณค่าแห่งจิตใจซึ่งแต่ก่อนไม่คิดว่าจิตใจจะมีคุณค่าถึงขนาดนั้นเราในตอนสุดท้ายเราก็ เห็นว่าวิชาเป็นสิ่งที่ปรเกิดไปเสียแล้วเลาก็วิชาอยู่ถึงเวลาแปดเป็นเวลาแปดเดือนเราไม่เคยลืม <Corin ne> รักสงนวนวิชาซึ่ ง, งเป็นตัวผ่องใสตัวสง่าผ่าเผยตรงอาจกระหันนักอยู่นั้นเสียแล้วปรามัดพยายามระมัดระวังรักษาวิช า, ท, าทั้งๆที่สติปัญญาก็เต็มภูมิแต่ไม่นํามาใช้ในขนาดนั้นเมื่อเวลาได้ใช้กันให้อย่างเต็มภูมิของสติของปัญญานั้นแล้ว เรื่องอวิชานั้นมันถึงกระจายลงไปถึงได้เห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในติจใจนั่นแหละก็เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งน้ำตาร่วงร่วงสองอย่างร่วงด้วยความสุดสัจสังเวชพูมิชาแห่งความเป็นมาของตนพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเคยเป็นมาอย่างนี้ท่านพ้นไปแล้วนี่ก็ได้เคยเป็นมาอย่างนี้บัดนี้เป็นคราวนี้เป็นเรื่องปัจจุบันเป็นวรรคสุดท้ายได้ทราบชัดเจนประจักษ์ใจ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 เมื่อแก้สิ่งนี้ได้แล้วอันใดที่เป็นของวิเศษยิ่งกว่านั้นมันก็ก็ปรากฏขึ้นมาเป็นของอัศจรรย์จึงต้องเกิดความสลดสังเวชในทุกทั้งหลายด้วยเกิดความอัศจรรย์แห่งธรรมที่ปรากฏขึ้นโดยปราศจากสมมุติใดๆเข้าไปเจือปนในจิต ด, ดวงนั้นด้วยถึงกับต้องเกิดความข้นขวายน้อยไม่คิดว่าจะสอนผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นสอนใครก็ไม่ได้ถ้าลงถึงขนาดนี้แล้ว ไม่มีใครที่จะสามารถรู้ได้ในโลกกว่นี้เพราะเนือ้อหรือเหลือกําลังสุดวิสัยที่คนจะรู้ได้เบื้องต้นเมื่อเห็นความอัศจรรย์มากขนาดนั้นจิตยังไม่ได้คิดในเง่ต่างๆก็คิดไปในทางทางเดียวจึงต้องได้ย้อนกลับมาอีกะถ้าว่าจิตเป็นของเป็นจิตธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่คนจะรู้ได้แล้วเราทําไมถึงรู้ได้เราก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันารมนุษย์ทั่วไปเรารู้ได้เพราะเหตุใด ก็ย้อนเข้ามาถึงปฏิปทากระจากันออกไปอ๋อน่ะยอมรับถ้ามีปฏิปทาคือเครื่องข้อปฏิบัติแล้วเขาจะต้องรู้อย่างนี้ท่านผู้ใดได้มีขรอปฏิบัติให้สมบูรณ์เต็มภูมิดังที่พรุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วว่ามัชฌิมาปฏิปทาสมบูรณ์เต็มที่แล้วทำอันนี้ไม่ต้องบอกรู้เองเห็นเองเพราะอํานาจแห่งมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งที่รกรุงรังพัวพันอยู่ภายในจิตใจ ให้แตกกระจากไปหมดไปหมดหรือตั้งแต่ทำรุ่นล้วนจิตรุ่นล้วนที่เป็นจิตบริสุทธิ์จากนั้นแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นภัยต่อจิตใจแม้สังขารร่างกายจะมีความทุกข์ความลาบากแค่ไหนก็สักแต่ว่าสังขารร่างกายเท่านั้นไม่สามารถที่จะทับถมจิตใจนั้นให้บอบช้าให้ขุ่น ม, มัวไปได้เลยเพราะอนั้นไม่ใช่สมมติขันทั้งหมดนี่เป็นสมมุตริรุ่นล้วนหรือเป็นสมมุติทั้งนั้น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 แม้แต่ปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ได้ยึดไม่ไถือชเベธรรมานตาทำทั้งปวงไม่ควรถือมันก็คือปล่อยเสียทั้งหมดโดยประการทั้งปวงขึ้นชื่อว่าทำทั้งปวงนั้นได้แต่สมมุติทั้งมวลไม่รู้ชาติเจลนประจักษ์ใจเมื่อประจักษ์ใจปล่อยวางหมดแล้วทำอะไรที่นี่ก็วิสุทธิทีธรรมวิสุทธิจิตจะเรียกวิสุทธิจิต ก, ก็ได้คือเรียกวิสุทธิธรรมก็ได้จะเรียกนิพพานก็ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไร เมื่อถึงตัวจริงแล้วเรียกไม่เรียกก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเหล่านี้ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟังหมดไม่เคยปิดบงังลีหลัซึ่งไมไ่เคยถามผู้ใดเลยปรากฏขึ้นกับจิตเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติสมกับพระธรรม ท, ที่ท่านแสดงไว้ว่าสันทิฏิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองปัจจตังเมิตะโบวิยหุผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้จำเพาะตน น, ะนั่นท่านว่าอะไรนั้น ทำทั้งหมดนี้แลยเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะเปิดตู้พระกายไปดกในขณะเดียวกันก็ปราบตามกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกซึ่งเป็นเครื่องปิดบงังจิตจำจิตใจซึ่งเป็นของวิเศษให้แตกกระจายไปกลายเป็นใจวิเสศษล้วนๆขึ้นมาภายในจิตไม่นอกเหนือไปจากนี่เลยเพราะนัอย่าไปคิดให้เสียเวลาเวลาว่าขั้งพุทธการท่านสําเร็จมรรคผลนิพพานขั้งนี้ไม่มีทางสําเร็จอย่าไปคิดนั่นเป็นเรื่องของกิเลสมาหลอกลวงเรา ให้ลหลงกลมายาข้างมันอีกแล้วจะเกิดความท้อแท้อ่อนแอดีไม่ดีก็คาดตนตายทั้งๆ ท, ท, ที่มีคุณค่าอยู่นั่นเพราะอำนาจของกิเลสพาให้ฆ่านั่นเองหลงกลมายาของกิเลสเท่านั้นก็จมไปได้คนเราความเข้มแข็งมีมากน้อยเพียงไรพอกิเลสหลอกยับเดียวสองยับเท่านั้นก็ล้มนานาวั้นพอให้พากันเข้าใจว่าธรรมนั้นไม่อยู่ที่ไหนใ ห, ให้ทราบเรื่องสัจธรรมเป็นหลักประกันของธรรมเหล่านี้ ชาจะทําคืออะไรบ้างทุกความสบายกายไม่สบายใจมีอยู่ที่ไหนถ้ามันมีอยู่ที่กายที่ใจเหานี้ทุกคนสมุทยัยทันวันนั่นที่ราคะการมรรหาพอตรรษาวิภูวาตัรหานี่คือตัวของกิเลสมันเกิดขึ้นจากใจเพราะเชื่อของมันมีอยู่ที่ใจมันก็แสดงตัวออกมาจากสิ่งที่มีให้เรารู้นิโรธคือความดับทุกเอาอะไรมาดับมันถึงจะดับได้ถ้าไม่เอามาก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 ทำมากทํางานมากน้อยถึงไรนีโลกก็แสดงขึ้นตามเรื่องของมากที่ปราบตามี่เด็ตได้มากน้อยชาัจธรรมทั้งสี่นี้มีอยู่ที่ไหนเวลานี้ในครัง้งพุทธการท่านบนรรลุธรรมท่านบนรรลุอะไรถ้าไม่รู้แจ้งในสัจธรรมทั้งสีนี้แล้วหาทางบรรลุธรรมไม่ได้มเมื่อดูแจ้งในสัจธรรมทั้งสีนี้โดยสมบูรณ์แล้วนั่นแหละคือเป็นผู้บรรลุธรรมถึงขั้นอันกเกษมสาราญหาที่หาอะไระเสมอเหมือนไม่ได้เลย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 ระหว่างมากกับผลวิ่งถึงกันในขณะชั่วจะได้มากขจิตตามปริยัติท่านว่าไว้ชั่วจะได้มากขจิตคือรัดมือเดียวขณะเดียวเท่านั้นนั่นะในขณะนั้นท่านเรียก ว, ว่ามากกับผลวิ่งถึงกันพอมากกับผลวิ่งถึงกันทําหน้าที่ต่อกันเสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วนั่นเรียกว่านิพานมึนในขณะเดียวกันเรียกว่านั้นแปลถึงแดนแห่งความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วแล้วควํามมาแดนแห่งความบริสุทธิ์นี้จะหมายถึงอะไรถ้ามันไม่ใช่หมายถึงใจผู้ทิพ ติดอยู่ในกองทุกข์ให้พ้นจากแดนแห่งความทุกข์ไปเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นเป็นที่ยึดเป็นที่ถือไม่มีอย่างอื่นเป็นที่เนื้ใจตายใจได้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้ดําเนินจิตใจของตนอย่าได้ลดละ้อถอยตายก็ตายเถอะพุทธังธรรมังสนางกระฉามิตายบูชาพระพุทธเจ้าประสามประสงค์ดีกว่าตายเพื่อกิเลสบูชากิเลสเป็นในไหนเราเคยเชื่อเราเคยยอมจํานนต่อกิเลส คล้อยตามกิเลสเครื่อดับตามกิเลสมาหลายพบหลายชาติจนนับไม่ได้แล้วให้จิเลสพอ่อพูนหัวใจแล้วก็ขนเอาทุกมาทับผมโจมตีเราจึงขนาดที่ว่าไม่รู้จักเป็นจักตาย <S <S 1> <S 1> หากาหนดที่หมายไม่ได้ว่าเมื่อใดทุกข์จะหลุดลอยออกไปจากใจถ้าไม่แก้ตัวสมุทัยให้หลุดรอยลงไปแล้วไม่มีทางที่ทุกข์จะหลุดรอยลงไปได้การแก้สมุทัยก็คือความเพียรมีสติปัญญาเป็นสําคัญ พยายามพากเพียรอย่าลดละพอยหลังนี่แลเป็นสิ่งที่จะตัดสินได้ตัดสินที่ตรงนี้ไม่มีการโน้นสถานที่นั่นใดๆที่จะมาเมียํานาจยิ่งกว่าศรัท ธ, ธาวิญญาสติสมาธิปัญญาหรือยิ่งกว่าสัจ ธ, ธรรมทั้งสิ่งนี้ไปได้เลยตรงนี้เป็นสาคัญเอาตรงนี้กิเลสอยู่ที่ตรงนี้สมมาทิฏฐคือกิเลสแท้อยู่ที่หวัวใจ มักคือการปฏิบัติเพื่อแก้ที่เด็ดด้วยอุบายวิธีใดอย่านอนใจถึงเวลาคิดคิดอ่านแต่ตองให้เข้าใจในเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องกิ่เด็ดอัธว ะ, สะแสดงตัวขึ้นมามากน้อยอย่าไปหงอยห่วงอย่าไปเชื่อใจโลกที่เราเคยคิดเคยปรุงมาแล้วได้ประโยชน์อะไรนอกจากเป็นเรื่องของสมุทัยแล้วกว้านเอาความทุกข์เข้ามาเผารุนหัวใจเราเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นขึ้นชี่ว่าสมุทัยแล้วเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้นมานังเดิมเราอย่าได้หลง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 ทำงานไปเองโดยไม่ต้องบังคับบัญชาเหมือนอย่างผู้ใหญ่ทั้งหลายซึ่งรู้เหตุลูกผลเรียบร้อยแล้วหน้าที่การงานไม่ต้องบอกทําไปเองนี่สติปัญญาเบื้องต้นก็ต้องได้บังคับบัญชาล้มลูกคุกคานบัางก็ยอมรับกันไปก่อนเพราะยังไม่ชำนี้ชํานาดต่อเมื่อสติปัญญาได้ดําเนินได้เห็นผลแห่งความสงบเย็นใจหรือความค่องแคล่วหรือความสว่างสบายภายในจิตเพราะอำนาจของสติปัญญา ขึ้นแล้วจะมีสติปัญญาจะมีความเขยันหมั่นเพียรไปเองเรื่องความเพียรไม่ต้องบอกหมุนไปตามกันนั่นแหละเนี่ยลังอยาก อ, อยู่ที่ตรงนี้การแก้กิเลสไม่ได้แก้อยู่สถานที่นู่นมาอยู่สถานที่นี่ไปจะอยู่ที่สถานที่จิตถ้ามาสถานที่ก็คือจิตนี่แหละนี่แหละนี่แหละอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ที่อื่นขอให้ทุกท่านฟังอย่างถึงใจปฏิบัติแก้กิเลสของตนอย่างถึงใจ ให้เห็นว่ากิเลสนี้คือภัยอย่างยิ่งทสำหรับหัวใจเราจะพาให้เกิดพบเกิดชาติเกิดในพบน้อยพบใหญ่ในรับความทุกข์มากน้อยล้วนแน่ตั้งแต่ไปจากกิเลสทั้งนั้นไม่ไปจากที่อื่นเลยการแก้กิเลสการเห็นเห็นกิเลสเป็นภัยจึงมีทําให้ปิตใจมีความพอใจหรือมีความอาจหานที่จะแก้กิเลสโดยลำดับผู้ใดที่ใดเป็นความสะดุดใจเข้าใจว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อตนแล้วจะมีทางต่อสู้กัน ถ้าเห็นกิเลสเป็นตนตนเปกิเลสเห็นกิเลสเป็น ล, าลาราเราเป็นกิเลสแล้วกิเลสนั้นเาจะพาคนจมแล้วเราก็จมไปด้วยกับกิเลสหาวันพ้นภูน้ตัวเองขึ้นมาไม่ได้เลยพอพูดไปพู ด, ปพดไปก็ป ร, รู้สึกหน่อยให้ทุกท่านนำประพฤติปฏิบัติให้ถึงใจในส่วนยากก็ได้เคย อ, อธิบายให้ฟังแล้วในเบื้องต้นแห่งกันนี้การพระพุทธปฏิบัติให้มีความขยันหมั่นเพียร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 รับผลรับประโยชน์จะบวชมาเวลามากน้อยในขณะที่เราบวชนี้ให้ทุ่มเวลาลงเพื่อความภาคเพียรอย่าให้เสียผลเสียประโยชน์อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเราเคยคิดมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะเกิดโทษภากใ จ, จิตใจให้มีความกังวลและมัวหมองต่อกิตใจเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นให้ทราบของมันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัและเห็นโทษของมันอย่าสนใจไปคิดเวลานี้เราเป็นลูกสถาตริคดจะเป็นดูกี่วันกี่เดือนก็ตามให้ทําหน้าที่ของตนเต็มภูมิ อยากได้ลดละพระพุทธเจ้าท่านทรงอ่าท่านเสด็จออกบวชไม่มีใครตามส่งตามเสียไม่มีญาติมีโยมไม่มีอุปสมปบทาตามพระพุทธเจ้าเลยสละออกจากความเป็นกษัตริย์ไปถูกความเป็นคนขอทานใครจะลำบากระมุดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีความลําบากพระพุทธเจ้าทรงเผชิญมาแล้วความที่จะสัสวลูปรากฏว่าสลบทรงสุบสลายถึงสามครั้งว่าไถ้าไม่ฟื้นข้อตาย นี่คือความทุกข์มากถึงขั้นสลบนั่นเองถึงสลบถ้ายิ่งกว่านั้นก็ถึงขั้นตายลำบากไม่พุทธเจ้าผู้ทรงบาเพ็ญมาก่อนอันเป็นที่เป็นแนวหน้าของพวกเราเราจะมีแต่ความอ่อนแอง่วงเหงาเข้านอนซึมอยู่อย่างนั้นเป็นได้เลยสศรษฐาคตมันเป็นไปได้เหรอล้วให้พิจารนา อะไรจะอัศจรรย์เท่าธรรมในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีิตจะเคยหมุก ม, มุ่นหมกมุ่นอยู่กับสิ่งใดก็ตามเมื่อทําได้ฉายแสงเข้าไปถึงใจแล้วจะปล่อยวางโดยลําดับลาดับไม่ว่าอันใดจะวิเศษมิโสในความรู้สึกมาตั้งแต่ก่อนก็ตามจะปล่อยวางปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลือเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีคุณค่าเหมือนกับธรรมชาติที่อันปรากฏซึ่งตัวนี้ปรากฏขึ้นภายในใจไม่อย่างนั้นท่านปล่อยไม่ได้วางมาได้ถ้าสิ่งนี้ไม่เหนือกว่าจะปล่อยไปทำไม เห็นเราเดินไปเจอตะกัวแล้วก็ว่าเป็นของดีพอไปเจอเงินก็ว่าเป็นของดีทิ้งตะกุ่นตะกัวไปไปเจอทองคําผู้อีกเจอเพชรเจอพอยก็ผูอีกยิ่งปล่อยไปปล่อยไปเริ่มนับหนับน่ะเพื่อเลืกของดีเอาของดีของที่ราคาต่ํากว่านั้นก็ทิ้งทิ้งทอันนี้ก็เหมือนกันโลกาภิตรทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาต่ํานอกจากนั้นก็เป็นโทษอีกด้วย ทำได้แท้กระทั่งใจมากน้อยเกินเลยควรจะชนะรสชาติความแปลกประหลาดความพิศจริงควรจะชนะโลกาภิสิ่งได้ได้ก็ย่อมชนะย่อมปล่อยกันไปปล่อยกันไปวางกันไปจกนกระทั่งปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเพราะเห็นทำอันประเสริฐไม่มีสิ่งใดเสมือเหมือนแล้วในโลกหนึ่งแล้วปล่อยไว้ได้ดูสิ้นเชิงบุญญาปลาปะปญนะบุคคลก็ทั่งบุญก็อย่างละะบาไม่อยพ า, าะแต่ละบาปได้แล้วเลย บุญก็อย่างละิึงเรียกว่าปุญญะปลาปะกไ ป, าปาน้าบุคคลผู้มีบุญและบาปอันละเสียได้แล้วนะบุญก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้ถึงที่อันกเกษมเมื่อถึงที่กเกษมแล้วบุญซึ่งเป็นส่วนสมุศก็ปล่อยวางกัน โ, ยโดยหลักธรรมชาติไม่มีสินใดเหลือเลยเหลือจะกความวสุ่ต้นล้วนและไม่ติดด้วยรู้เท่าตัดขาดทั้งอดีตอ น, นาคตรู้เท่าตัดขาดทั้งปัจจุบันไม่ยึดมั่นในสินใดเลยจะว่า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 ขอให้เห็นใจผู้แสดงด้วยการรับพระเนนจำนวนมากน้อยก็ได้พิจารณาเต็มหัวใจแล้วถึงจะรับขนาดเท่าที่เป็นมานี้ถ้าเลยกว่านี้ก็ต้องแสดงผลให้เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะเชื่อความคิดเคยคิดอันไดไว้แล้วเป็นความถูกต้องเสมอไม่ใช่คุยถ้ามากก็เฝอเลวุ่นวุยวเหลียวไหลหแล้วก็กอกคมมุ่นวายให้ ส่วนที่ดีเสียไปด้วยนี่ไม่เพียงแต่เหลือไหลโดยลำพังตนเองยังเป็นการลรหูลรตาลกกจิตโรคใจจีดขวางเพื่อนฝูงไปอีกน่ะเป็นของดีเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นทุกทุกองที่มาบวชนี้ไม่ว่าจะมาจากสกุลใดชาติชัน้นวรรณะใดไม่สำคัญยิ่งกว่าความเป็นพระปฏิบัติให้ตรงแน่วตามหน้าที่ของพระนี้เป็นหลักแห่งพระอันที่อันถูกต้องซึ่งจะอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกได้ ถ้าปีกจากร่องรอยนี้แล้วเป็นเรื่องของโลกของสารหาประมาณไม่ได้นั่นแลจะทาการปีดขวางต่อกันหาความถูกความสบายไม่ได้เลยแล้วจากราก็าแตกถ้าเอาโลกเข้ามาแทะเข้ามาแฝงพระพุทธเจ้าจึงไม่มีเรื่องชาติชั้นมันลนะผู้ใดมาบวชแล้วก็ชงแสดงเต็มภูมิของพระผู้นั้นให้ผู้นั้นปฏิบัติเต็มภูมิของพระ ของสมณะซึ่งเป็นสาคยบุคพุทธทัินรตของพระพุทธเจ้าไม่ลดละสาวกของพระพุทธเจ้ามีกี่ประเภทมีทุกชาติชั้นวรรณะมาฝุทธปฏิบัติพระพุทธปฏิบัติผู้ใดออกมาเช่นเป็นพระชามหากสัตสเสรจออกมาบวชแล้วก็มาเป็นคนขอทานมาเป็นสมณะประเภทเดียวกันทำหน้าที่การงานโดยไม่ถือเนื้อถือตัวว่าเคย มียศมีสักมากขนาดไหนอันนั้นมันสมมุติกันเฉยๆยศอย่างนั้นยศอย่าง น, น, างนี้ดูหัวใจนี่หัวใจนี่กิเลสมันไม่ได้ว่ายศไหนนะมันเหยียบได้ทั้งนั้นให้แก้ตัวมันเหยียบมันเป็นข้าสึกต่อเรานี้ด้วยธรรมเราจะมีความเป็นอิจฉะหรือเราจะมียศแห่งธรรมประดับใจยศแห่งธรรมประดับใจนี่เหนือยศอะไรทั้งหมดแล้วกินไม่หมดด้วยตายแล้วก็หายห่วงทุกสิ่งทุกอย่าง ถึงขอให้ากันพระพุทธปฏิบัติยานอนใจเนอเหน่อยอาละท่านปัญญาเห็นตนี้ให้อธิบาย ห, หานูควรกลนง